อุปาทาทุกะ 7. ปัญหาวาระหนึจจ่งอรจยานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัย394สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่งจำปยุจจคันและจิตตสมมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูป โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแข่จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทยรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูป และที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยเหตุตุปัจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สัมพยุทธะขันธ์และจิตตสมมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัย39้าสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอารมณปัจัยได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุกายรูปรสและหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแข่จักขูวิญญาณรษ า, ายตนะเป็นปัจจัยแขกชิวหาวิญญาณโดยระมณะปัจจัยขันที่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยาณ อาณาขัตังจยานและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลิงกุศล น, นั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมณะจึงเกิดขึ้น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 บุคคลเห็นแจ้งโพธะะและขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้พรอมด้วยจิตที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปด้วยเจโตปริยายานอากาจานัญญายายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญญายาตนะอากินัญญายาตนะเป็นปัจจัยแห่เนวสัญญาณาสัญญายาตนะโพธพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอรมณะปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปูเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปักขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอรมณะปัจจัยพระทิปปิปัจจัย396สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูป เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณนาทิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขกลายรูปรดและหาไทยวัตถุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิด เ, เพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น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 ทิจิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไวิดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโอธานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิเพลินโ พ, พธพภะขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินโพธิภาพเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิจิจึงเกิดขึ้นสหาจาตาธิปติได้แก่อาทิปฎิธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สัมบยุทธขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูป เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปโดยที่ปฏิปัปใใจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปฏิได้แก่ธิปฏิธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแฉ่จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว คือชาชาตาธิปฏิได้แก่ธิปดีธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปจัจจัยแห่สัมพยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยทิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยเป็นต้น397สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่ไม for ่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพละสมาบัติโดยนันตรปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยสมนันตรัปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญามัญญปัจจัยเหมือนกับปฏิจาวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยเหมือนกับนิสยาปัจจัยในปจัจจยาวาระอุปาณิสยาปัจจัย398สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณูปะนิสยาและปกระตูปะนิสยาปกระตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัย จ, จักขุสมบัติกายสมบัติวั น, นาสมบัติ สัทสมบัติคันทสมบัติรัศสมบัติและโภชนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสงจักภูสมบัติกายยสมบัติวันณสมบัติสัทสมบัติคันทสมบัติรัศสมบัติและโภชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาพภะรสมาบัติโดยอุปาณิยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป โดยอุปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปะเสยะอนันตรูปะเนสยะและปะกะตูปะิสยะปะกะตูปนินสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทมสมาบัดให้เกิดขึ้นมีมานะเธอทิฐิอาศัยศีลปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายอุตุเศนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสง สัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาพระสมมาบัติโดยอุปาินียปัจจัยปุเรชาตะปัจจัย399สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมาัะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักผุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักผูวิญญาณรส า, า, ายาตนะเป็นปัจจัยแก่เชีวหาวิญญาณวัตถุปเรชาตะได้แก่จักลายตนะเป็นปจัจจัยแก่จักผูวิญญาณกายายตนะผาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทิยรูปโดยปเรชาตะปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามณะปุเรชาติได้ยแก่บุคคลเห็นแจ้งโผฏพะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณัสจึงเกิดขึ้นโผฏพายตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญ ญ, ญาณโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูป เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่โพธภายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแข่กายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยโพธภายตนะและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยปุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัย400สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่ใครนน้ที่เกิดก่อนซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยปัจฉาชาตะปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล ปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแขกายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นอุปาทยรูปโดยปัจฉาชาตะปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแขกายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งเป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรร ม, มปัจจัย401สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกรร ม, มปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนา น, นาคเนกะสหชาตะไ ด, ด้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตพันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยกรร ม, มปัจจัยในปฏิสนธิขณนะ นานาคเนกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิบากและกตัตรารูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป เป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปโดยความรรคปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจ ต, ตนาที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปโดยควมรรคปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็น up, ปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยความมรรคปัจจัยมีสองอย่าง สหชาตะนลนาณาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สามยุทธขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยกรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิปลาและขตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูป และที่ไ ม, ม, ม, ม่เป็นอุปาทายรูปโดยกรมมปัจจัยวิปากะปัจจัยสี่้อยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละถึงขันธ์สองในปฏิสนธิขณะมีสามวาระมหาระปัจจัย สี่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่กวาเลงกราหารเป็นปัจจัยแก่งายนี้ที่เป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารับปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นโมลกวาเลงกราหารเป็นปัจจัยแก่งายนี้ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารรับปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล กวเลียกราหานเป็นป <centre> ัจจัยแ่กายนี้ที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารรับาัใจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแฉ่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารรับาัใจได้แก่อาหารที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแฉ่สัมยุญตขันและจิตตะสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารระบาัใจในปฏิสนธิขณะ บทที่มีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นมูลมีสามวาระในปฏิสนธิขณะก็เพิ่มเพิ่มเป็นสามวาระอินทริยปัจจัย404สสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปโดยอินทริยปัจจัยได้แก่รูปชีวิตตินีเป็นปัจจัยแขกตาตารูปที่เป็นอุปาทยรูปโดยอินทริยปัจจัย เพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลจากขุนสีเป็นปัจจัยแก่จากขุวิญญาณกายินศีเป็นปัจจัยแก่กายะวิญญาณรูปปัจจิวิตินศีเป็นปัจจัยแก่ขตารูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอินทริยปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลรูปปัจจิวิตินรีเป็นปัจจัยแก่ขตารูปที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอินทริยปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมทีม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จากผลสีและจากขุวิญ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคป ด, ด้วยจากขุวิญ ญ, ญ, ญาณ โดยอินทรียปัจจัยกายินีและถึงชานะปัจจัยเป็นต้น405สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรคาปัจจัยมีสามวาระในปฏิสนธิขณะเป็นปัจจัยโดยสัมยุญตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิะยุญตระปัจจัย สี่สภาวะธรรมที ap, ่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที h, ่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยวิบิยุดะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยวิวิวุดะปัจจัยบุเรชาตะได้แก่จักขลายตนะเป็นปัจจัยแข่จักผูวิญญาณกายายตนะ ละถึงหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแขย็งขันที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยวิปยุตตปัปปปจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปท า, า, ยยป า, าทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แกแข็งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป โดยวิปยุตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่กระตารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปิุตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่กายนิทึกเกิดก่อนซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปิวตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูป โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสาชาตตะและปัจฉาชาตตะสาชาตตะได้แก่คันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่กายน้ทิขะสกอนซึ่งเป็นอุปาทายรูปโดยวิปยุตตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแห่จิตตะสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่คลายนที่เกิดก่อนซึ่งเป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัย407สภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคืออาหาระและอินทรียะได้แก่โกลิยังกราหาน เป็นปัจจัยแครกายนี้ที่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยรูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะอาหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะ พาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยบูเรชาตได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงย่อปัจจัยนี้เหมือนกับบุเรชาตปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันเกลื่งกราหานเป็นปัจจัยแกรายนี้ที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยแกะะ่งขันตารูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูป โดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคืออาหาระและอินทรียะได้แก่เราเลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กลายนี้ที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กระตารูปที่เป็นอุปาทัยรูป และที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจใจสี่ร้อยแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัย และถึงขันสองในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตย์พรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งโพธาภะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมานะจึงเกิดขึ้นโพธภายตรนะณะ เป็นปัจจัยแก่กา ย, กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ ขัใในที calories, <how> นไน่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่กายนี้ทิวเกิดก่อนซึ่งเป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัย มีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยขันสองและถึงในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่พลายนี้ที่เกิดก่อน ซึ่งเป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัย409สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจจัยมีสมอย่างคือปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะปัจฉาชาตะได้แก่ครั้นที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปและเกลิงกระหาร เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ครั้นที่ไม่เป็นอุปาทยรูปและรูปปชีวิตจินซียเป็นปัจจัยแก่กตัตารูปที่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือชาชาตะบุเรชาตะ ปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์สหช า, าตะได้แก่ขันหนึ่งที่จะหรัรโคตด้วยจกักรวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปและหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองในปฏิสนธิขณะ ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทยรูปและหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองปุเรชาตะได้แก่โพธพายตนะและกายายตนะเป็นปัจจัยแข่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยโพธพายตนะและหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและกระเรงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปและรูปปัจฉิวตินสีเป็นปัจจัยแก่กระตารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูป โดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือ praying, từ, Perfect. ปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปและโกลิยคราหาน Better, เป็นปัจจัยแกครายนี้ที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปและรูปปัชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่รตัตารูปที่เป็นอุปาทยรูป และที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอธิปัจใจหนึ 1. ปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนศรีรอยสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจใจมีสี่วาระอานันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจใจมีหนึ่งวาระสหชาต ะ, ะ, ะปัจจใจมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจใจมีห้าวาระ นิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระอุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระมอสิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีหกวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีสามวาระ สามยุตตปัตจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัตจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขะตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่อยสิบอดจบสองปัจจนียุทธาระสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูป โดยอาหารปัจจ th ัยและอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปาณิเสยาปัจจัยบรชาตปัจจัยอาหารรปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป <fal se>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 สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที Too ่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยสหชาติปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยอาหารับปัจจัยและอินทริย์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปโดยชาชาติปัจจัย อาหาระปัจจัยและอินทรีย์ปัจจัย 2. ปัจจยปัจญจิยะ 2. ส, สังคยาวาระสุทนายสี่ยสิบสณนะเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณนะอารมณปัจจัยมีเก้าวาระนะทธธุกาานะปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระโนอัติปัจจัยมีสี่วาระ โนนัตถ er ์ปัจจัยมี9้าวาระโนวิคตะปัจจัยมี9้าวาระโนอวิคตะปัจใจมีสี่วาระ 3. ามปัจญานุโลมปัจจนียะ414ีณอารมณปัจใจกับเหตุกปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมณันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยปัจญิยนุโลม4ี่รอหาอารมณปัจจัยกับนัเหตุถูปัจจัยมีสองวาระ อธิปฏิปั จ, จัจมีสี่วาระและถึงพึงขยายบทอนุโลมมาติกาให้พิสดารและถึงอวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระอุ ป, ปาทาทุกกะจบหกสิบแปด อุปาทินนทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปฏิญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัย416สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่กรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามละกระตัตตา ร, รูปอาศัยขันหนึ่งที่กลัมแอมประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น at และถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตตารูปที่เป็นอุปาทายารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ อาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปาใจได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานในรูปอาศัยขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปาใจได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่กรรมอันป ร, ระกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานะรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้ น, นสภาวธรรมที่กรรมอันป ร, กระกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันป ร, กระกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ และเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูปอาศัยขันธ์เที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัยสี่สเจสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวะธรรมเที่ยงกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะอาริมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่ง ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอธิปติปัจจัย418สภาวธ ร, รรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูปอาศัยขันหนึ่ง ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุ ป, ปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนัยส1 9เก้หตุปัจจัยมีหาวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระ อาทิปตปฏิปัจมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระชาติชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสียปัจจัยมีสองวาระเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระ อหารปัจจัยมีห้าวาระอินทรีย์ปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสามยุตตปัจจัยมีสองวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีห้าวาระนัตติปัจจัยมีสองวาระวิคตาปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสองปัจยปัจจนยะ หวิพังขวาระนเหตุปัจจัย420สสภาวธรรมเทียกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมเทียกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นใ น, นเหตุุกะ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 ตัตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งกรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองอาศัยมหาปูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานปุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนอารรมนัปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัตารูปอาศัยขันธ์เที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นพาไทยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตารูปที่เป็นอุปาไทยยรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเหล่าอาสัญญิสัตว์พรมและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตัตรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนะอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป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 อาศัยขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัยเป็นต้นสี่ยี่สิสาสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตระปัจจัยเพราะณอัญญามัญญปัจจัย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 และถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามนั ก, กตัดตารูปอาศัยขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยเนสตาพรมสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะเนะปุรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูป อาศัยขนันธ่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปรวร 3, าวจารภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สอง จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์เที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่งเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตยพรรมสภาวธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเที่ยงกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เกิดขึ้นเพราณปเรชาตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขานที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณนะปชาชาตาปัจจัยเพราะณนะอาเสวนาะปัจจัยนกรรมปัจจัย425สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ อาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานอุปาทายรูปอาศัยมหาโูธรูปเกิดขึ้นนักวิปากปัจจัย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 อาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะนวิปลาสปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันอสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงคำว่ามีอุตุเป็นสมุทฐานณอาหารปัจจัย ส todos, ี่ยยีสภาวธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนะอาหารปัจจัยได้แก่สหรับภ่าอสัญญสัตยพรมและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมเที่ยงกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เกิดขึ้นเพราะหอาหารปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานหนอินทริยปัจจัย428สภาวะธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวะธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะหอินทริยปัจจัยได้แก่สำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรม รูปปัจจีวิตินรีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กลมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กลรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะณอินทรียปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานณาชาณปัจัยเป็นต้น๔29 สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนัชฌนปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองสำหรับเหล่าอสัญญาตะพรมสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ อาศัยสภาวธรรมที่กรลมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะหน้าชานะปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะนามคัคขะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับหนเหตุถูกปัจจัยไม่มีโมหะ เพราะณสัมยุญตรปัจจัยณวิปปุญตปัจจัยเป็นต้นสี่สาสสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวะธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นเพราะณวิปปุญตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สำหรับเราอาจารย์ยศตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมเที่ยกรรมอั atten, านาประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะณวิบูตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองที่เป็นภายนอก มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเพราะโนนัติปัจจัยเพราะโนวิคตาปัจจัย 2. ป, ปัจยปัจญิยะสองสังขยาวาระสุทไนัย์ ส, สย า, า र, สอดนันเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอารรมณปัจใจมีสี่วาระนอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนอนันตรปัจใจมีสี่วาระ นสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสี่วาระนอุปาเนสยปัจจัยมีสี่วาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีสี่วาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีหวาระนอาเสวนปัจจัยมีหวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนอาหารปัจจัยมีสองวาระนอินทรียะปัจจัยมีสองวาระ ณจารณะปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยมีหวาระณสัมปยุตตปัจใจมีสี่วาระณวิบยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัธิปัจใจมีสี่วาระโนวิคตะปัจใจมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญียะ432ณอยสามรมณปัจจัยกับเพศถูปัจใจมีสี่วาระณอธิปติปัจจัยมีหวาระ ละถึงณปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีสี่วาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยมีสี่วาระสี่ ปัจจยปัจจนียานุโลม433อารมณปัจจัยกับหน้าเหตุถูปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระส ม, มนันตระปัจจัยมีสองวาระสะชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสย ป, ปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสย ป, ปัจจัยมีสองวาระโอเรชาติปัจจัยมีสองวาระ อาเศวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระและถึงมรฆะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสะหชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ